น, นัวัฒนการอาจารย์เจริญพรทุกทุกท่านช่วงนี้ไปเทศที่ไหนนั้นก็คล้ายๆไปอยู่ในดงผู้ก่อการร้ายปิ ด, ปดปิดหน้าปิดตาหัวข้อที่จะให้หลวงพ่อเทศเรื่องผู้เห็นไถในวัฏฏะใช่เปล่า นะต่างหัวข้ออะไรก็ได้แต่หลวงพ่อเทศอยู่เรื่องเดียวนะเรื่องที่หลวงพ่อเทศเป็นเรื่องที่ว่าเราจะออกจากวัตฏะได้ยังไงนะเราจะออกจากวัตตะได้อันแรกเราก็ต้องเห็นนะวัตฏะนี้เป็นไทยอย่างไรนะผู้ลายเนี่ยมันฆ่าเรานะมันฆ่าเรา ครั้งเดียวเราก็ตายแล้วแต่วัตตาเนี่ยฆ่าเราแล้วฆ่าเราอีกไม่รู้จักจบจักสิน้นหลวงพ่อลืมบอกไปนะเวลาฟังธรรมเนี่ยเป็นเวลาเหมือนกับเราเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมะเนี่ยเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าแล้วเราต้องฟังด้วยความเคารพตั้งใจฟัง ในประเภทไลฟ์สดนะถ่ายรูปถ่ายวีดีโอนะเลิกซะก่อนเอาไว้ไปเล่นกับเรื่องตอนดะูคอนเสิร์ตเวลาฟังธรรมะคือเวลาฟังธรรมะหลวงพ่อเรียนมาจากครูบาอาจารย์เนี่ยเรารู้เลยว่าเวลาที่เราได้อยู่กับครูบาอาจารย์ได้ฟังธรรมครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นเวลาที่มีค่ามากแล้วหายากมาก ในวัฏฏะที่ยาวนานเนี่ยทำไมเราวนเวียนอยู่ไม่รู้จักจบจักสิน้นเพราะเราไม่ได้ฟังธรรมเราไม่ได้ฟังธรรมที่ดีที่แท้จริงเพราะงั้นเวลาเราฟังธรรมเนี่ยฟังด้วยความเคารพจริงๆเคารพด้วยใจนะไม่ใช่แค่เคารพทางร่างกายใจเคารพก็คือมีใจสงบอยู่กับเนื้อกัตัว ว่าก่อนเวลาฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ในบางทีท่านให้นั่งสมาธิฟังนะให้นั่งสมาธิไปเลยแล้วท่านก็จะแสดงธรรมบางองค์ท่านก็แสดงเป็นเรื่องๆไปแต่ครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อพไปเรียนนะเวลาเราเข้าไปเรียนจริงๆเนี่ยท่านไม่ได้สอนธรรมะแบบนั้นท่านก็จะนั่งของท่านเงียบๆไปเราก็นั่งของเราเงียบๆไปบางทีชั่วโมงหนึ่งท่านพูดสองสามประโยคเอง แล้วสองสามประโยคน์นั้นนะเรามาใช้ได้นานเลยอย่างครั้งสุดท้ายที่หลวงพ่อเข้าไปกราบหลวงพุ ด, ดุล น, นะสามสิบหกวันก่อนที่ท่านจะมรณภาพท่านก็สอนธรรมะหลวงพ่อหปได้ในช่วงบ่ายจนกระทั่งค่ำนะพอถึงเวลาค่ำหลวงพ่อก็กราบลาท่านบอกหลวงปู่หลวงปู่เหนื่อยจนหอบแล้วเพราะฉะนั้นผมจะกราบลาแล้ว ได้บอกว่าจะกลับแล้วเหรอยังกลับไม่ได้นะต้องจําไว้ก่อนพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเข้าใจไหมท่านถามว่าเรียนท่านไม่เข้าใจครับแต่จะจําไว้ให้นบอกเออจําไว้นะเนี่ยหลวงพ่อใช้เวลาทําการบ้านข้อนี้นะี่ยี่สิบกว่าปีพว่าจะเข้าใจขึ้นมา แล้วเวลาที่เราได้เรียนจากครูบาอาจารย์นะมันฝังอกฝังใจนะมันเชื่นอกชื่นใจนึกถึงเราก็มีความสุขจิตมันก็มีกำลังขึ้นมาการที่เราจะเห็นภัยในวัตตาได้เนี่ยเราต้องรู้ก่อนวัตตาเนี่ยมีโทษยังไงการที่เราต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จะจบจากสิ้นนี่แหละคือภัยที่น่ากลัวของวัตต ที่น่ากลัวมากกว่านั้นก็คือมันปิดบังไม่ให้เราเห็นความจริงมันปิดบังไม่ให้เราเห็นความทุกข์อย่างคนเรานะเวลามีความทุกข์นะก็ตั้งใจแล้วต่อไปนี้จะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วอย่างผู้หญิงนะเวลาออกลูกเจ็บนะออกต่อไปจะไม่ออกลูกอีกแล้วเดี๋ยวเดียวก็ท้องอีกแล้วมันลืมเวลามีความทุกข์นะมันลืมอย่างรวดเร็วเลย เงั้นเราไม่เคยรู้สึกว่าวัฏตานี้เป็นทุกข์มากมายเพราะเราลืมมันเวลาเราตายนะเวลาเจ็บหนักแล้วก็ตายไปเกิดมาใหม่เราก็ลืมความทุกข์ที่ผ่านมาแล้วงั้นวัตตามันเป็นภัยที่น่ากลัวที่สุดก็ตรงที่มันปิดบังความทุกข์เอาไว้อย่างสนิทแน่นแฟนเราไม่เห็นว่าวัตฏานี้นําความทุกข์มาให้ยังไงพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนธรรมะ ที่ย้อนรอยนะย้อนสอนวัตตะเลยมันปิดบังความทุกข์ท่านเปิดเผยให้เราดูความทุกข์ท่านสอนให้เรารู้ทุกข์ถ้าไม่รู้ทุกข์จะไม่มีวันเข้าใจธรรมะเราก็จะหลงอยู่ในวัตตะไม่รู้จักจบจากสิน้นการรู้ทุกข์ก็เรียกว่าการทาวิปัสสนากรรมฐานเราจะรู้ทุกข์ได้ก็ต้องรู้รูปธรรมรู้นามธรรม เพรสิ่งที่เรียกว่าทุกคือตัวรูปธรรมนามธรรมพวกเราทําวัดส่วนมนต์ตอนเช้าบ้างไหมใครทําบ้างยกมือให้ดูหน่อยม่มีอยู่บทหนึ่งใช่ไหมบอกว่าสังคีเตนะปัญจุ ป, ปาทานะขันธ า, ท, าทุกขาโดยสรุปอุปาทานขันทั้งห้าคือทุกสิ่งที่เรียกว่าอุปท า, านขันทั้งห้านะเราอย่าไปแปลผิดบางคนไปแปลผิดนะว่าอุปท า, านขันทั้งห้าที่เป็นทุกเนี่ย คือขันที่เรายึดมั่นเป็นทุกข์ถ้าไม่ยึดมั่นไม่ทุกข์ดังนั้นแปลคาว่าอุปาทานขันผิดนะคำว่าอุปาทานขันน่หมายถึงขันที่เราสามารถยึดมั่นได้ขันที่เราเข้าไปยึดมั่นได้ขันมันมีสองส่วนขันส่วนหนึ่งเป็นขันที่เป็นอุปาทานขันขันอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่อุปาทานขันขันที่เป็นอุปาทานขันก็คือขันทั้งหลายที่พวกเรามีนี่แหละ นะร่างกายความรู้สึกสุขทุกขนะ์ความดีความชั่วแล้วก็จิตใจของเราสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอุปาทานขันแล้วขันที่ไม่ใช่อุปาทานขันคืออะไรนะก็คือพวกโลกุตรจิตทั้งหลายแล้วก็โลกุรตระเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตเกิดร่วมกับโลกุตรจิตอย่างมรรคจิตโพลจิตเนะีนะ่ยโสดาปฏิมรคโซดาปฏิผลอะไรเงี้ยสิเหล่านี้ไม่ใช่อุปาทานขันนะมันเลย อุปทานขันไปงั้นสิ่งที่เรียกว่าทุกเนี่ยคือตัวอุปทานขันคือขันที่เรามีไม่ต้องคิดมากเลยนะเรียกย่อๆว่าขันไปเลยเพราะยังไงเราก็ไม่เห็นหรอกให้ตัวขันที่ไม่ใช่อุปทานเรายังไม่เห็นหรอกมีคนที่เห็นนะมีแต่มีไม่มากหรอกในคนเป็นแสนแสนคนนะที่เข้ามาเห็นตัวนี้แล้วเนี่ยมีไม่มากมีคนเป็นล้านมีไม่มากที่เห็นส่วนใหญ่ไม่เห็น ทำไม่เห็นไม่ได้ที่เห็นไม่ได้เพราะว่าใจเราเนี่ยมันหลงมันหลงอยู่ตลอดเวลาส่วนใหญ่เราหลงอยู่ในโลกของความคิดอย่างวันๆนะั้นเราก็นั่งใจลอยนั่งเหม่อคิดเรื่องโน้นเครียดเรื่องนี้กังวลเรื่องนั้นในะ่ยใจมันหลงไปคิดโน้นคิดนี้ตลอดเวลาใจที่หลงคิดเนี่ยมันไม่รู้ตัวเองมันไม่รู้สึกกายมันไม่รู้สึกใจ เวลาหลงคิดเนี่ยมันจะลืมกายลืมใจอย่างเวลาเราเหมอเราหลงคิดเนี่ยสังเกตสิเรามีร่างกายเราก็ลืมร่างกายนะอย่างเรานั่งทําอะไรอยู่เนี่ยนะใจลอยไปยุ่งกัดอะไรยังไม่รู้เลยหรือบางทีเล่นไพ่อยู่นะหลงอยู่กับการเล่นไพ่คิดว่าจะทิ้งตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยเก่งว่าคนอื่นเขามีตัวไหนนะเราจะคิดอย่างนี้ย ตำรวจมานะคนอื่นหนีไปหมดแล้วเราอยังมองไพ่องเราเลินเลยนะนนเวลาที่เราหลงเรามีกายเราจะลืมกายมีใจเราจะลืมใจพระพุทธเจ้าท่านสอนเรานะให้รู้สึกตัวก่อนที่เราจะมาเห็นความจริงคือมาเห็นทุกข์ของกายของใจได้นะเราต้องรู้สึกตัวให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติเลย การฝึกจิตฝึกใจถ้าจิตใจเราอยู่ในโลกของความคิดอยู่ในโลกของความหลงนะไม่รู้สึกตัวเราไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้งั้นพวกเรามาหัดนะแทนที่จะปล่อยให้ใจคิดอะไรเลื่อนเพื่อนเล้ะเธอเลื่อนลอยไปพยายามมารู้สึกกายพยายามมารู้สึกใจของตัวเองเรื่อยๆนะทีแรกมันก็จะเผลอนะเผลอยาวๆแล้วรู้สึกทีหนึ่งนะต่อไปพอเราหัด รู้สึกบ่อยๆนะจิตคุ้นเคยที่จะรู้สึกพอจิตคุ้นเคยที่จะรู้สึกเนี่ยมันจะรู้สึกได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นอย่างตอนหลวงพ่อเป็นโยมนะหัดใหม่ๆเนี่ยก็เหมือนพวกเรานี่แหละหลงยาวที่หลงตั้งชั่วโมงหนึ่งแล้วค่อยรู้ตัวว่าอ้าวเผลอไปชั่วโมงหนึ่งละนี่พอหัดมากเข้ามากเข้านะพอจิตเคลื่อนปั๊บมันเห็นเลยะจิตไหลไปเคลื่อนนิดเดียวยังไม่ทันจะคิดเป็นเรื่องเป็นราว มันเห็นแล้วว่าจิตเคลื่อนละเพราะเราเห็นตรงนี้จิตก็จะดีดตัวเด่นดวงขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมาทันทีเลยนะรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามฝึกนะฝึกให้จิตใจตื่นตัวขึ้นมาเรียกว่าจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานฝึกให้จิตมันตื่นคนทั่วไปมันตื่นแต่ร่างกายแต่จิตมันไม่เคยตื่นเพราะจิตน่ยมันฝันตลอดเวลาความคิด ก็คือความฝันตอนตื่นความฝันก็คือความคิดตอนหลับมันอันเดียวกันงั้นทำยังไงเราจะปลูกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาให้ได้วิธีปลูกตัวเองให้ตื่นนะไม่ยากอะไรนะขั้นแรกนะทำกรรมฐานอะไรไว้สักอย่างหนึ่งเช่นพุโทโธหรือหายใจเข้าพุทหายใจออกโทรหรือชอบท้องพองยุบก็เห็นท้องพองเห็นท้องยุบชอบขยับมืออย่างโลวเทียนก็เคลื่อนไหว เรารู้สึกเคลื่อนไหวเรารู้สึกเนียเคลื่อนไหวเรารู้สึกไม่ใช่เคลื่อนไหวแหมสวยเป๊ะนะแต่ใจหนีไปที่อื่นอันนั้นใช้ไม่ได้กรรมฐานทั้งหลายนียทำไปเพื่อความมีสตินะถ้ากรรมฐานที่ดีถ้ากรรมฐานที่เลวทำไปเพื่อสงบเฉยเพื่อให้สบายเพื่อมีความสุขแต่กรรมฐานที่ดีทำไปเพื่อความมีสติงั้นไม่ว่าเราจะพุทโธเราจะหายใจเราจะพองยบุบเราจะขยับมือทำจังหวะ จะทำอนาปนาสติอย่างท่านพุทธทาสหรืออะไรก็ตามถ้าขาดสติก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันหมดเลยถ้ามีสติกรรมฐ า, านอะไรก็ใช้ได้นะอย่างหลวงพ่อเมื่อก่อนนะหลวงพ่อใช้หายใจเข้าพูดหายใจออกโถนี่เรียนมาจากท่านพอลีตั้งแต่ปีศูนย์สองนะตั้งแต่ปีศูนย์สองเนี่ยภาวนาไม่เคยเลิกเลยนะหายใจเข้าพุธหายใจออกโททีแรกมันก็ เป็นอย่างนี้แหละหายใจเข้าพูดออกโทรพอจิตมันเริ่มสงบนะพูดโทมันหายไปเหมือแต่ลมหายใจพอจิตสงบมากขึ้นลมหายใจหายไปนะกลายเป็นแสงสว่างสว่างขึ้นมาตรงเนี้ยนะสว่างอย่างเงี้ยแล้วจิตเราเนี้ยเคลื่อนไปในแสงพอเคลื่อนไปในแสงเนะี้ยจะอยากดูนรกอยากดูสวรรค์อยากดูอะไรเนี่ยมันไปดูได้นะ่ะมันตามแสงนี้ไปดู เราพ่อออกไปข้างนอกนะเที่ยวไปข้างนอกอยู่ช่วงหนึ่งล้วก็รู้สึกว่าไม่ใช่หรอกเราไปเห็นเทวดานะเราก็ไปอยู่กับเทวดาไม่ได้เห็นวิมานเขาก็ของเขานะเห็นเขามีของกินเยอะแยะเราก็กินกับเขาไม่ได้เขามีสวนดอกไม้เราไปดูๆแล้วเราก็ต้องกลับมันไม่ใช่สมบัติของเราไม่นคล้ายๆเราเป็นยาจกเราไปเที่ยวบ้านเศรษฐี เที่ยวไปเที่ยวมานี่ยมันก็สำนึกตัวขึ้นมานะว่าไม่ไม่เห็นจะมีประโยชน์เลยเลยไปดูบ้านคนอื่นเขาและอีกอย่างหนึ่งกลัวจะไปเจอผีเขาหลวงพ่อตั้งแต่เด็กเป็นคนกลัวผีนะได้ดีเพราะผีนี่แหละนะพอเรากลัวผีเนี่ยเราจะคอยระวังไม่ให้ใจเราไหลออกไปข้างนอกเรารู้เนี่ยจิตมันจะไปรู้ไปเห็นอะไรเนี่ยจิตมันต้องออกข้างนอกน้ําไหลตามแสงสว่างไปจะไปรู้ไปเห็นอะไรเงี้ยได้ยินได้ฟังอะไรขึ้นมา ออกไปข้างนอกทั้งหมดเลยพอเรารู้ว่าออกไปแล้วอาจจะเจอผีกลัวผีนะหงวงพว้าจะไม่ให้ใจไปข้างนอกพอนั่งสมาธิไปใจมันเริ่มเคลิมเนียจะรู้สึกตัวใจมันจะเคลื่อนแล้วรู้สึกจะเคลื่อนแล้วรู้สึกงั้นหายใจไปนะพอใจจะเคลื่อนแล้วก็รู้สึกใจจะเคลื่อนแล้วรู้สึกลมหายใจหายเป็นแสงสว่างใจจะเคลื่อนเข้าไปในแสงสว่างก็รู้ใจจะหนีไปจากแสงสว่างก็รู้ก็รู้ตัวอยู่ได้ แล้วเวลาภาวนาแล้วบางทีมันจะเคลิม้มหลวง พ, พ่อเพิ่มการหายใจเข้าไปหายใจให้แรงขึ้นนะปลุกปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมางั้นเบื้องต้นเนี่ยนะทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้ที่เราถนัดพุดโทโธก็ได้หายใจก็ได้ถ้าพุโทโธนะจิตไปอยู่กับพุโทโธรู้ทันจิตหนีไปที่อื่นรู้ทันทาอานาปนสติ จิตไหลไปอยู่กับลมหายใจรู้ทั น, นจินตหนีไปอยู่ที่อื่นรู้ทันดูท้องผ่องยุ บ, บจิตไหลไปอยู่ที่ท้องรู้ทันจินตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันเดินจงกรมบบกนะจิตไหลไปอยู่ที่เท้ารู้ทันจิตหนีไปอยู่ที่อื่นรู้ทันใช้หลักันเดียวกันหลักเดียวกันทั้งหมดเลยนั้นตรงที่เรารู้ทันจิตที่ไหลไปไหลไปเนี่ยไม่นานจินตเราจะตั้งมั่นขึ้นมาทุกครั้งที่รู้ว่าจิตไหลจิตมารู้จะเกิดขึ้น เพราจิตรู้กับจิตที่ไหลไปเนี่ยตรงข้ามกันถ้าเมื่อไรจิตไหลไปแสดงว่าจิตมีกิเลส ช, ชื่ออุท ธ, ธัจจะเป็นโมหะนะฟุ้งซ่านแล้วทันทีที่เรามีสติรู้ว่ามันฟุ้งซ่านเนี่ยความฟุงฟ้งซ่านจะดับอัตโนมัติเพราะเมื่อไร่มีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นจะไม่มีสติงั้นเราคอยสังเกตใจของเราใจเราเคลื่อนไปเรารู้ใจเราเคลื่อนไปเรารู้ตัวเนี้หลวงปู่ดูลเรียกว่าจิตส่งออกนอกนะ แล้ว่าจิตส่งออกนอกเป็นสมุทยัยเป็นเหตุนะให้เกิดความทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคมีผลเป็นนิโรธคือความดับทุกข์งั้นเราคอยสังเกต จ, จิตของเราเรื่อยๆจิตเราหลงไปรู้หลงไปรู้นะทํากรรมฐานสักอย่างนึงนะแล้วคอยรู้ทันจิตใจตนเองไม่ใช่ทํากรรมฐานแล้วเพื่อสงบนะอันนั้นมีมาก่อนพระพุทธเจ้านะหรือสีชีพรอะไรเขก็ทําได้ไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์อะไรหรอกนะ แต่กรรมฐานที่ทำแล้วตื่นทำแล้วรู้สึกตัวทำแล้วหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันเนี่ยเป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าเพราะเราทำกรรมฐานสัอย่างหนึงแล้วเอาจิตเป็นใหญ่นะไม่ใช่เอาอารมณ์เป็นใหญ่ไม่ได้น้อมจิตให้นิ่งให้ว่างให้สงบแต่รู้ทันจิตจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ไปเรื่อยๆในที่สุดจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นเนี่ยมีกายร่างกายเคลื่อนไหวเราจะรู้สึก จิตใจเคลื่อนไหวเราจะรู้สึกเราจะรู้สึกได้ลองทดสอบนะอย่างขณะนี้พวกเรานั่งอยู่รู้สึกไหมยากไหมที่จะรู้ว่าตัวเองนั่งอยู่ใครไม่รู้ว่าตัวเองนั่งอยู่ตอนนี้มีไหมถ้ามีนะปรึกษาจิตแพทย์เลยถ้านั่งอยู่แล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองนั่งอยู่เนี่ยไปหาจิตแพทย์ได้แล้บ้าแล้วตอนนี้หายใจอยู่รู้สึกไหม หายใจอยู่ก็รู้สึกว่าหายใจอยู่ยากไหมที่จะรู้ว่าร่างกายกำลังหายใจไม่ยากอะไรต้องใส่หน้าซิยากไหมที่จะเห็นร่างกายขยับเนี่ยนะไม่ได้ยากอะไรเลยรู้สึกง่ายๆแค่เนี้ยแต่เวลาเราใจลอยนะเราขยับเราอะไรเงี้ยเราไม่รู้หรอกนะเพราะฉนั้นเวลาใจลอยเนี่ยคือศัตรูของการปฏิบัติมันลืมตัวเองนะเราพยายามฝึกนะใจลอยแล้วรู้ใจลอยแล้วรู้ต่อไปพอใจลอยปุ๊บมันจะรู้ปั๊บเลย เพราะสติมันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะจิตมันจำสภาวะที่ใจลอยได้นะพอใจลอยพุ้บจะตื่นขึ้นมาเองนะเรียกว่ามีทีระสัญญาจิตมันจำสภาวะได้แม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติพอมีสติรู้ทันจิตที่ไหลไปการไหลไปด้วยความฟุ้งซ่านจะดับจิตจะตั้งมั่นสมาธิที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเั้นวิธีให้เกิดสมาธิไม่ยากอะไรเลย รู้ทานว่าจิตไม่มีสมาธิแค่นั้นจิตก็มีสมาธิแล้วะง่ายๆแค่นี้เองอย่างตอนเนี้บางคนขยับตัวรู้สึกไหมขยับไปขยับมาเนี่ยทําไมไม่รู้เพราะว่าใจลอยถ้าขยับอย่างนี้เรารู้คอยรู้สึกไปเรื่อยแต่อย่าเกร็งนะคนขยับแล้วเกร็งไหมอย่างนี้ไม่ได้กินหรอกอย่างนี้มันปรุงแต่ง ไม่ใช่ของจริงดูของจริงนะอย่าบังคับกายอย่าบังคับใจแต่ดูกายอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นตรงนี้แหละแล้วเราจะเห็นนะกายนี้คือตัวทุกข์กายนี้ไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์นะจิตใจก็เป็นตัวทุกข์อย่างนี้เรียกว่าเราเห็นถูกล่ละพอเราเห็นว่ากายก็ทุกข์ใจก็ทุกข์เนี่ยวัฏตะมันจะหลอกเราต่อไปไม่ได้นะเพราะมันจะเห็นความจริงแล้วว่า กายนี้ทุกใจนี้ทุกะที่พระพุทธเจ้าสอนเราให้รู้กายรู้ใจทําสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสีมันก็เรื่องกายเรื่อง ใ, ใจทั้งนั้นแหละะพยายามมารู้เพื่อให้เห็นความจริงว่ากายนี้มันเป็นตัวทุกข์นะจิตนี้มันเป็นตัวทุกข์นะพอเห็นตามความเป็นจริงมันจะเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายมันจะคลายความยึดถือเมื่อคลายความยึดถือแล้วมันจะหลุดพ้นหลุดพ้นเราก็รู้ว่ามันหลุดพ้นแล้วนะะ ใจมันเดินในเส้นนี้เราจะเห็นทุกข์เห็นโทษของวัตตาวัตตามีทุกข์มีโทษมีภัยร้ายแรงที่สุดคือปิดบังไม่ให้เราเห็นทุกข์พระพุทธเจ้าสอนการเจริญสติปัฏฐานให้เราเนี่ยเพื่อให้เราเห็นทุกข์มันเป็นการย้อนสอนของวัตตาเลยนะดังนั้นเราจะเกิดวิวัตตะเกิดการหลุดออกไปเหนือวัตตะ วัตถากวิวัตตานี่ตรงข้ามกันวัตถาก็เวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆบางคนว่าวัาวตต์คือการเวียนว่ายตายเกิดก็ถูกเหมือนกันแต่ว่ามาละเอียดนะวัตถายับหยาบเพราะตอนนี้เป็นคนชาติต่อไปเป็นแมวอะไรเงี้ยวัตถะแต่วัตถะตที่ละเอียดเนี่ยหมุนอยู่ในใจเราเองหมุนจีจีจีอยู่ตลอดเวลานะพวกเราที่ภาวนา ที่เรียนดูจิตดูใจกับหลวงพ่อเนะี่ยใครเคยเห็นวัตตาที่หมุนอยู่กลางอกมั้งมีไหมเห็นความไหวยิบยับยิบยั บ, ยบอยู่ในอกอะ่ะใครเคยเห็นบ้างยกมือสิมีไหมนะมีไหมมีไหมประเทศบางที่นะพันคนเคขาก็ยกแปดร้อยคนนะที่นี่มีน้อยนะบทีเรียนเรียนหลายตํารามากจับอะไไม่ได้ ถ้าเรียนให้มันเด็นเดียวลงไปไม่นานก็จับได้นะอย่างพวกที่เรียนกับหลวงพ่อนะเรียนเอาจริงเอาจังนะไม่นานมันจะเห็นนะว่าตาไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยว่าตาหมุนอยู่กลางอกนี่เองหมุนหมุนหมุนไปนะเดี๋ยวก็เบี่ยงสุขขึ้นมาหมุนไปเดี๋ยวก็เบี่ยงทุกข์ขึ้นมานะเดี๋ยวก็เบี่ยงกุศลขึ้นมาเดี๋ยวก็โลภโกรธหลงอะไรก็ผุดผุดขึ้นมาเรื่อยพอมันปรุงนะสภาวธรรมขึ้นมาแล้วสภาวธรรมก็มาครอบงําจิตใจอีกทีน เนี่ยถ้าเรารู้ทันเห็นวัตตามันหมุนอยู่ตรงนี้นะถึงจุดที่จิตมีปัญญาอย่างทองแท้นะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งอย่างทองแท้ว่าคือตัวทุกข์เพราจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งว่าจิตนี้คือตัวทุกข์ต้นวัตตะกลางอกเราเนี้ยถล่มลงทันทีเลยนะการเวียนว่ายตายเกิดจะไม่มีอีกแล้วถ้าวัตตาตัวนี้ไม่มีนะวัตต์ข้างนอกก็ไม่มีนะเพราะไอ้จิตนี้เองหมุนอยู่เน้นเอง มันผลิตปฏิสนธิจิตขึ้นมาผลิตปฏิสนธิจิตขึ้นมามันก็ไปเกิดในภพภูมิใหม่วัตตาก็ยาวไปะเหมือนจริงๆการข้ามวัตตาเนะี่ยไม่ได้ข้ามแบบชาตินี้เป็นอย่างนี้ชาตินี้เป็นอย่างนี้ดังนั้นไหลตามวัตตาไปเรื่อยๆถ้าจะข้ามวัตตาจริงๆอ่ะถล่มมันลงที่จิตนี่เองนวัตตาตัวจริงหมุนอยู่ที่จิตนี่เองเมื่อไรที่เห็นนะ จะรู้เลยว่ามันปรุงความทุกข์ขึ้นมาตลอดเวลานะกระทั่งความสุขที่มันปรุงขึ้นมาเนี่ยจิตเราเป็นผู้รู้อย่างแท้จริงนะความสุขที่มันปรุงขึ้นมาจากกลางอกเราเนี่ยมันเป็นภาระนะใครเคยภาวนาแล้วเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายเป็นภาระบ้างมีไหมยกมือซินะสุขทุกข์ดีชั่วเป็นภาระของจิตใจยกมือซิยกสูงๆหน่อยเออักเยอะแนละ้ว อันนี้หลวงพ่อลดระดับการถามลงแล้วนะถ้าเห็นตรงนี้ได้ก็เรียกว่าเริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นทุกข์แล้วตรงที่เป็นภาระรู้สึกไม่เป็นทุกข์ตื่นเช้ามารู้สึกไม่ร่างกายนี้เต็มไปด้วยภาระตื่นเช้ามาทำลายบ้างบิดขี้เกียจลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำอาบน้ำแปลงฟันสระผมอะไรเงี้ย มีผมก็ต้องหวีผมเซตผมทรงโน้นทรงนี้ทรงอย่างหลวงพ่อสบายที่สุดเลยนะลองดูแล้วเราจะรู้เลยว่างโง่แบกเส้นผมหนักๆอยู่ตั้งนานแล้วนะพวกผู้หญิงนะถ้า ใ, ใจเด็ดลองดูอย่างหลวงพ่อเนี้ยเ อ, อเอโควิดอะไรนะั่นก่อยากนะอยาของเราเนี่ก่ง่ายกรนะทั่งเส้นผมนะก็มีภาระาตั้งเยอะแล้วใช่ไหมจะต้องสระผมนะต้องเป่าแห้งนะ าใส่แชมพูใส่ครีมใส่อะไรเยอะแยะเลยใช่ไหมเนี่ยผาระนะลองคิดดูตั้งแต่หัวถึงเท้าเราเนี้ยมีผาระเท่าไหรนะ่ตั้งแต่หัวถึงเท้ามีภาระเท่าไหร่วันหนึ่งอาบน้ำกี่ครั้งใครไม่อาบบ้างสามวันครั้งมีไหมเอามีเหมือนกันนะใจเด็ดมากที่ยกมือนะคนข้างๆตกใจเลนะ เมก่อนมีเพลงนะหนาวหนาวเนี่ยทางอีสานค่านมีเพลงเจ็ดวันอาบน้ำคนเดียวเนะี่ยอาบน้ําเป็นภาระไหมบางคนบอกเป็นการพักผ่อนอาบน้นะําะก็ไม่มีงานอื่นทํำมาสิถ้ามีงานอื่นต้องทําอีกนะอาบน้ํานานๆไม่ได้หรอกต้องรีดรุกเรียดรุกลวนนะอือนี่เป็นภาระไหมบางวันไม่อื่ดคลุ้มไหมบางวันอืดไม่เลิกคลุ้มไห ม, ไหมแค่เลืออืดก็เป็นภาระนะ ปวดเออปวดฉี่หิวข้าวเป็นภาระใช่ไหยหิวข้าวเป็นภาระยังไงบ้างต้องไปทํางานหาเงินมาซื้อข้าวใช่ไหมต้องเดินไปซื้อต้องมากินต้องมากมาเคี้ยวต้องมาย่อยเสร็จแล้วก็ขับถ่ายเนี่ยวงจรถ้าเรามีสติอยู่ในร่างกายเราเนี่ยเราจะเห็นว่ร่างกายนี้เต็มไปด้วยภาร ะ, ะเรามาดูจิตใจเราก็เต็มไปด้วยภาระทําไมเราอยาก มีความสุขรู้สึกไหมพวกเราอยากมีความสุขเราก็ดิ้นรนนะเพื่อจะให้จิตใจมีความสุขดิ้นรนไปดูหนังไปฟังเพลงไปเที่ยวไปทําอย่างโน้นไปทําอย่าง น, น, างนี้ไปต่างประเทศหวังว่าจะมีความสุขจีบสาวสักคนหนึงหวังว่ามีแฟนสวยๆแล้วจะมีความสุขบางคนไม่ดูตัวเองเลยนะคิดว่าจะต้องหาแฟนสวยๆให้ตัวเองดูไม่ได้เลยะสตางก็ไม่มีอย่างเงี้ยไม่มีอะไรดึงดูดเลย เนี่ยอยากได้ความสุขเราไปดูให้ดีเหอะใจเราเนี่ยหิวความสุขอยู่ตลอดเวลามันอยากมีความสุขบางคนอยากเป็นนายกนะบางคนอยากเป็นประธานาธิบดีอยากอย่างโน้นอยากอย่างเนี้ยล้วแต่อยากมีความสุขลึกลงไปคืออยากมีความสุขอยากไม่ทุกข์มันอยากอยู่แค่นี้แหละวันวันหนึ่งไปดูหนัง้าหวังว่าจะมีความสุขไปหาของอะไรกิน้าหวังว่าจะมีความสุข งั้นสิ่งที่เราติดอกติดใจก็คือความสุขนั่นเองนะสแสวงหาไม่เลิกหรอกนี่แต่ถ้าเราหัดมาภาวนานะอย่างที่หลวงพ่อสอนนะในที่พระท้าเจ้าท่านวางหลักไว้ให้นะคือดูเวทนาทนุกศาสนานะดูความสุขความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นหลวงพ่อแนะนําให้ดูในจิตนะเวทนาในกายเนี่ยจะดูได้ดีต้องสงชานถ้าเวทนาในกายเราดูด้วยใจของคนไม่มีฌานอย่างเนี้ย เดี๋ยวก็สติแตกมันเห็นทุกข์มากเลยมันทนไม่ไหวแต่ถ้าเวทนาในใจเราจะเห็นนะใจเดี๋ยวก็สุขใจเดี๋ยวก็ทุกข์นะเฝ้ารู้เฝ้าดูไปดิ้นรนนะสแสวงหาอะไรต่ออะไรมาแทบตายเพื่อจะได้ความสุขในใจมาแวบเดียวนะพอได้ความสุขแวบเดียวความสุขก็าหายไปใจก็ต้องหิวความสุขก็ดิ้นรนต่อไปอีกใครเล่นแชร์บ้างมีไหมเดี๋ยวนี้ยังมีการเล่นแชร์อยู่ไหมสมัยก่อนมีการเล่นแชร์หลวงพ่อไม่เล่นนะ เห็นคนอึ่นเขาเล่นนะเวลาเล่นแชร์เนี่ยถึงเดินเข้าเอาเงินไปให้เขาเขาเรียกอะไรนะเท้าหรือเท้านะเออไปให้เท้านะเอาเงินไปให้เขานะใจเขาไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหรอ่อ่ะกลัวมันหนีไปเดี๋ยวมันเชิดเงินหนีไปะแล้วไอ้คนนี้มันเปียรได้มันจะหนีหรือเปล่าอะไรเงี้ยใจนี่ไม่ได้มีความสุขจริงอะ่นะหรือว่าเรากลัวคนอื่นมันจะเปียรแล้วหนีนะ เราชิงเปลียวไว้ก่อนเลยนะเดือนแรกเราเอาไว้ก่อนเลยนะได้เงินมามีความสุขไหมได้เงินก้อนมามีความสุขนะพอถึงเวลาที่จะต้องจ่ายอีกสิบเดือนเนี้ยหน้ามืดเลยใช่ไหมความสุขสั้นนิดเดียวไปดูให้ดีเถอะความสุขสั้นนิดเดียวนะแต่ความทุกข์นี่ยาวนานเนี่ยพราะเรามีสติรู้อย่างนี้นะเราจะรู้เลยว่าไอ้ที่เราหิวความสุขเนี่ยโง่จริงๆ ว่าเราจะได้ความสุขแต่ละอย่างมานะเหน็ดเหนื่อยแทบตายมีภาระแทบตายจะจีบสาวสักคนนะกว่าจะได้มาเป็นเมียเราเนี่เหน่อยแทบแย่นะบาทีต้องแกล้งทําเป็นสุภาพบุรุษเท่านั้งที่เป็นมหาโจร น, นะต้องทวางฟอร์มทําให้ดูดีผู้หญิงก็เหมือนกันอนะไรอย่ามาหัวเราอเลยนะมันก็พอๆกันแหละนะมันก็หลอกกันไปหลอกกันมาผู้หญิงจำไว้อย่างนะถ้าเราเห็นได้ผู้ชายคนนี้นิสัยยังไงนะ อย่าไปคิดนะว่าแต่งกับเราแล้วมันจะเปลี่ยนหมื่นปีมันก็ไม่เปลี่ยนอย่าคิดว่าตัวเองเก่งจะไปเปลี่ยนนิสัยสันดานที่ไม่ดีของผู้ชายได้นะส่วนผู้ชายก็อย่าโ ง, ง่นะผู้หญิงแมมหวานจอยเลยอย่านึกว่ามันจะหวานทั้งชาตินะมันเปลี่ยนรักษาไว้ไม่ได้นะสั่งให้มันไม่เปลี่ยนไม่ได้ส่วนผู้ชายเนี่ยสั่งให้เปลี่ยนไม่ได้ น, นไม่เหมือนกันหรอกสังเกตเอาเราไปดูสิเราอยาก มีเมียนะเราก็ทุกข์ตั้งเยอะนะเพื่อได้เมียมาแต่ถัดจากนั้นเราก็ทุกข์ว่าทําไงมันจะไปสัทีนะนก็ทุกข์ต่อไปอีกนะเราจะได้ไปหาเมียใหม่อย่างเงี้ยมีลูกไม่มีลูกก็เที่ยวไปบ่นนะบ่นหลวงพ่อบ่นหลวงปู่จำไว้นะอยากมีลูกอย่าไปบ่นพระนะเอพระช่วยให้มีลูกไม่ได้หรอกนะไปบ่นหมอนะไปหาหมอเนี่ยมีลูกมานะเลี้ยงก็กลุ้มใจนะ กลัวเป็นโนนเป็นนี่เป็นห่วงสารพัดเลยโตขึ้นชืงโง่หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะเราโง่นะรูปมันจะจีเนสอะไรขึ้นมาเนะนี่ยมันมีแต่ทุกข์นะมีแต่กงังวลจะคบเพื่อนดีหรือไม่ดีไหมมีอะไรก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นจำไว้เลยนะเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกนะเรามีอะไรเราก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นแหละเนี่ยถ้าเรามีสติอยู่ที่กายที่ใจเราจะรู้เลยว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นตลอดเวลา ความทุกข์เนี่ยมันอยู่ในใจเราตลอดเลยที่เราดิ้นรนหาความสุขนะความสุขอยู่แวบเดียวก็หายไปละเราก็ต้องดิ้นอีกดิ้นอีกก็ทุกข์อีกเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะสุดท้ายปัญญามันจะเกิดปัญญามันมีสามขั้นปัญญาขั้นแรกเนี่ยที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยมันจะเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราะนี่เป็นปัญญาขั้นที่หนึ่งนะเรียกมีปัญญาเบื้องต้นปัญญาขั้นกลางเนี่ยจะเห็นว่า กายนี้นอกจากไม่ใช่ตัวเราแล้วมันเป็นตัวทุกข์นะเพราะเห็นกายเป็นตัวทุกข์จะปล่อยวางกายได้อันนี้เป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีแล้วการปฏิบัติในขั้นสุดท้ายเนี่ยมันจะรวมลงที่จิตที่เดียวเลยอตัววัตตาที่หมุนอยู่กลางอกนี่แหละจะมาเห็นตัวนี้เลยพอนะเราเห็นตัวนี้นะเราจะรู้เลยความทุกข์เกิดขึ้นตลอดเวลาความสุขก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งนะกุศลทั้งหลายก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งนะไม่ใช่ความสุขหรอก มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นมีแต <BE> ่ภาราทั้งนั้นเลยแล้วก็ต่อไปปัญญามันแทงตลอดลงไปที่จิตนะตัวจิตเนี่ยคือตัวทุกข์จะเห็นว่าตัวจิตคือตัวทุกข์พอเห็นว่าตัวจิตคือตัวทุกข์นีจิตจะปล่อยวางจิตเมืจิตปล่อยวางจิตแล้วจิตจะไม่ยึดถือขันห้าจิตจะไม่ยึดถือโลกทั้งโลกนะปล่อยที่จิตดวงเดียวนี่เองถ้ายึดที่จิตดวงเดียวนะก็จะยึดขันห้ายึดโลกทั้งโลกได้ ค่อยๆสังเกตไปนี่แหละถ้าเราเห็นภัยในวัฏฏะนะเรามีสติอยู่กับกายอยู่กับใจเรื่อยๆ เ, เราจะเห็นภัยมันมีแต่ทุกข์มันมีแต่โทษอยู่ตลอดเวลานะหาความสุขอะไรไม่ได้เลยยากไปไหมถ้าใจลอยก็ไม่เห็นแล้ว ร, รู้สึกตัวบ่อยๆแล้วเราจะเห็นนั่งอยู่นี่ทุกข์ไหมใครเห็นบ้างว่าที่นั่งอยู่นี่ทุกข์ เห็นไหมยกมือซิยกมือซิโอ้ยกเยอะเลยพอนี้ข้อสอบข้อที่หนึ่งแล้วนะลดลงมาถึงปฐมต้นแล้วนะ <c oughs> ถ้ายังไม่ยกอีกต้องเริ่มเรียนกรรมฐานกันใหม่แล้วนะนั่งอยู่นั่งอยู่สิแล้วอย่อยา ก, กระตุ ก, กระดิกนะทุกไม่ทุกเดี๋ยวเดี๋ยวก็เห็นแล้วนะทําไมเราต้องกระตุกระดิกเรากระตุกระดิกเพื่อหนีทุกนะ อย่างมันเมื่อยใช่ไหมสบายแล้วเอาสบายไปเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อยอีกแล้วหยับขคอนี้เหนไหมนะั้นจริงๆร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ไม่ยากที่จะเห็นแต่มันไม่ยอมเห็นนะมันอยากเห็นรูปข้างนอกอยากฟังเสียงข้างนอกอยากได้กลิ่นได้รสอยากได้สัมผัสข้างนอกอยากคิดนึกอะไรเล้อเล้อเธอเธอไปนะมันก็เลยไม่เห็นร่างกายตัวเองไม่เห็นจิตใจตัวเอง มีกายลืมกายมีใจลืมใจมก็เลยไม่สามารถเห็นความจริงของกายว่ามันคือตัวทุกข์ไม่สามารถเห็นความจริงของจิตใจว่ามันคือตัวทุกขนะ์วัตตะหลอกเราด้วยวิธีนีนะ้หลอกเราด้วยการพาเราหลงหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทั้งหลายนะพระพุทธเจ้าท่านก็ใช้คำว่าพวกนี้เป็นบ่วงของมารนะเป็นเครื่องมือของมารในการที่จะจับเราไว้ในวัตตะ นะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรทั้งหลายเนะีนะ่ยเป็นเครื่องผูกมัดเราไว้ในโลกนี่เราพยายามมาเรียนรู้แทนที่จะหลงไปดูรูปหลงไปฟังเสียงย้อนมาดูกายย้อนมาดูใจนะวันหนึ่งก็จะเห็นหรอกกายนี้ใจนี้เป็นของไม่เที่ยงกายนี้ใจนี้ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลากายนี้ใจนี้สั่งมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้ อย่างสั่งว่าอย่าป่วยสั่งไม่ได้สั่งว่าอย่าแก่สั่งไม่ได้สั่งว่าอย่าตายสั่งไม่ได้อย่าหิวอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าปวดเมื่อยนะอย่าปวดอืออย่าปวดฉี่สั่งไม่ได้สั่งไม่ได้เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆจะได้เห็นความจริงของร่างกายนะแล้วก็พอเข้าใจความจริงของกายต่องแท้นะจิตมันก็จะเลื่อนยศขึ้นไปนะเลื่อนระดับขึ้นไป จะเข้ามาที่จิตนะเข้ามาที่จิตแต่ว่าการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องสั่งตัวเองว่ารู้แต่กายนะสติระลึกรู้ ก, กายก็รู้ไปสติระลึกรู้จิตก็รู้ไปไม่ต้องเลือกจิตมันเลือกของมันเองว่ามันจะรู้กายหรือมันจะรู้จิตนะคอยพยายามรู้สึกตัวเรื่อยๆรู้จักใจลอยไหมใครไม่รู้จักว่าใจลอยเป็นไงยกมือซิมีไหม ถ้าไม่รู้จักใจลอยติดลบน ะ, ะไม่ได้คะแนนแล้วอันเนี้ยถ้าใจลอยก็ไม่รู้จักติดลบแล้วรู้ตัวไว้เลยโอกาสที่จะไปอบายนั้นสูงมากนะเพราะใจมันเต็มไปด้วยโมหนะใจหลงใจเลื่เพลินใจที่หลงไปอเป็นใจที่มีโมหพะพอมีโมหะไปกระทบอารมณ์อีกนะสติก็ไม่มีราคาก็าเกิด มีโมหะอยู่ไปกระทบอารมณ์บางทีโทรสาก็เกิดไอ้ตัวหลงนี่แหละตัวหัวโจกอะไรของกิเลสนะตัวร้ายเลยงั้นเราพยายามรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวมีสุขก็รู้สึกตัวมีทุกข์ก็รู้สึกตัวเฉยๆก็รู้สึกตัวมีโลภก็รู้สึกตัวโกรธก็รู้สึกตัว ใจลอยไปก็รู้สึกตัวรู้ทันไปรู้ทันสภาวะที่มันมีที่มันเป็นนะรู้บ่อยๆรู้เนืองๆแล้วต่อไปจิตมันจะจําสภาวะได้แม่นพอมันใจลอยปุ๊บเนี๋ยรู้สึกขึ้นเองเลยนะพยายามฝึกรู้สึกตัวไว้นะพอรู้สึกตัวได้แล้วทำยังไงบางคนช่วยมากนะบอกหลวงพ่อประโมท ส, สอนให้รู้สึกตัวอยู่เฉยๆ แค่นี้พอแล้วฟังแล้วอยากเบิร์ดกะโหลกมากเลยนะรู้สึกตัวเป็นจุดตั้งต้นนะเป็นขั้นที่หนึ่งเท่านั้นเองถ้าจะรู้สึกตัวทาอะไรรู้สึกกายตามที่กายเป็นรู้สึกใจตามที่ใจเป็นนะคอยรู้สึกกายรู้สึกใจไปเรารู้สึกกายอย่างที่กายเป็นกายเป็นอะไรกายเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้สึกจิตอย่างที่จิตเป็นจิตเป็นอะไรเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา พอเห็นอย่างทองแท้เนี่ยใจเราจะวางนะเห็นความจริงของกายเมื่อไหร่ก็วางกายเห็นความจริงของจิตเมื่อไหร่ก็วางจิตนะวางแล้วคราวนี้ยจิตเราจะแปลสภาพนะเป็นธรรมล้วนๆเลยจิตจะกลายเป็นธรรมะนะเป็นธรรมล้วนๆเลยครูบาอาจารย์บางองค์อย่างหลวงตามหาบุญท่านเรียกธรรมาธาตุอย่างเพราะเรามีจิตเนะี่ยจิตของเรามีจุดมีดวงมีต่อมนะ มีที่ตั้งมีการไปมีการมามีจุติมีอุบัติสารพัดจะมีมีความปรุงแต่งมีสุขมีทุกข์มีดีมีชั่วนี่พอเราภาวนาจนปล่อยวางจิตตัวนี้ลงไปแล้วเนี่ยจะถึงธาตุรู้ธาตุรู้เนี่ยมันบริสุทธิ์หมดจดนะไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาสว่างสวยอยู่อย่างนั้นมีความสุข จะเข้าใจคำว่านิพานังปรามังสุญญยังนิพานว่างว่างจากอะไรว่างจากขันนะว่างจากตัวตนว่างจากกิเลสว่างจากความปรุงแต่งว่างจากความยึดถือนะไม่ใช่ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยเป็นมิจฉาทิฏฐินะแล้วก็ไม่ใช่มีอยู่ไม่ใช่มีอยู่แบบทาวร บางทีก็คิดน้ว่านิพพานแล้วเนี่ยตายแล้วจิตออกจากร่างไปอยู่ในโลกของพระนิพพานอันนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐินะเป็นมิจฉาทิฏฐิ น, นิพพานเป็นโลกโลกหนึ่งอันนั้นมิจฉาทิฏฐิเต็มร้อยเหมือนกันเป็นเรียกว่าสัตตตทิฏฐิเห็นว่ามีถาวรจริงๆไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่มันเป็นยังไงเอาไว้ลิ้มรถด้วยตนเองเอากันบ้านไปทํำไหม เพื่อวันหนึ่งจะได้ลิ้มรสพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงตัวที่ไปสัมผัสอนิพานนัน้นตัวที่บริสุทธิ์นั่นเองตัวที่บริสุทธิ์คือตัวที่สิ้นตัณหาสภาวะที่สิ้นตัณหาเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่านิพานมีหน้าตาเป็นไงนิพานมีลักษณะสันติสงบ นิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหาสิ้นอยากถ้านะตราบใดที่ใจเรายัางอยากอยู่จะไม่เจอนิพพานแล้วทาไมใจอยากเพราะใจไม่รู้ความจริงของกายไม่รู้ความจริงของใจเราเห็นว่ากายนี้เป็นของดนะีจิตใจนี้เป็นของดีเรารู้สึกอย่างนี้นะเนี่ยวัตามันหลอกเราทาั้งๆที่กายเป็นตัวทุกข์ใจเป็นตัวทุกข์แต่เราไม่เห็นนะเราถูกหลอกเราคิดว่ามันเป็นของดี พยายามดูนะให้เห็นของจริงแล้ววันหนึ่งจะเจอของที่เป็นความจริงอย่างแท้จริงเลยค่อยๆฝึกไปทุกวันทุกวันนะพักเพียนขั้นต้นถือศีลห้าไว้ก่อนขอห้าข้อเท่านั้นนะการถือศีลห้าสำหรับคารวะเนี่ยยากนะยอมรับว่ายากพระพุทธเจ้าท่านยังบอกเลยว่าบุธิชนนะคาวาอไรพวกเนี้ย ถือศีลห้าให้บริสุทธิ์หมดจดเหมือนหอยสังที่ขัดไว้ดีแล้วยากเพราะฉะนถ้าเราพลาดพลั้งผิดศีลเนี่ยไม่ต้องตกใจนะถ้ารู้สึกปฏิบัติมานานแล้วไม่ผิดศีลเลยเนี่ยสำรวจตัวเองหน่อยว่าผิดศีลแล้วไม่รู้หรือเปล่าะวิทีไม่โกหกใครเลยนะแต่เล่นไลน์ทั้งวันเลยไลน์เล่นไลน์เล่นเฟซกดไลค์กดแชร์เนี่ย มูสาวาดเพอเจอเพียงนะแต่ให้พูดให้คนอื่นเขาได้ยินเท่านั้นนะพูดออกมาเป็นตัวหนังสือนะพูดโดยไม่จำเป็นต้องพูดเราเรียกว่าพูดเพอเจอร์สีด่างพร้อยนะไม่ใช่ต้องโกหกหลอกลวงด่าคนในให้ถึงจะผิดสีนนะสีมันมีความประนีตแค่พูดเพอร์เจอร์ด่างพ้อยแล้วพูด ส, อส่อเสียดพูดยุให้เขาตีกันนี่ก็ด่างพ้อยแล้วนะผิดศีแล้ว งั้นศีลจริงรักษายากโดยเฉพาะข้อสี่นะรักษายากที่สุดเลยมันพร้อมจะฟุง้งซ่านแล้วก็เพอร์เจอร์ไปนี่เราค่อยๆดูนะสำรวจตัวเองนะวันนี้เพอร์เจอร์แล้วเล่นเน็ตแล้วเดี๋ยวนี้หน้าจอมันบอกนะอาทิตย์นี้คุณเล่นเพิ่มขึ้นห้าร้อยเปอร์เซ็น ะ, ะไรเงี้ยนะทีนี้ลดลงสองเอร์ซนนะเวลา ข, ขึ้นเยอะนะ เวลาลงลงหน่อยๆอย่างเงี้ยนะเนี่ยลงไปดูสิเป็นเครื่องวัดนะว่าเราผ่านเวลาไปวันละเท่าไหร่อย่ามาอ้างนะว่าดูเน็ตเพื่อจะดูยูท b e หลวงพ่อประโมทอ่ ะ, ะอย่าอ้างเลยสุดใหญ่ก็ดูเรื่องอื่นเหละทำไมหลวงพ่อรู้ก็ตีมงานหลวงพ่อเขาบอกโอ้ยเนี่ยคนดู y o u t u ู e หลวงพ่อพันคนโถ่มันดูเรื่องไอ้ญิง จากคลั่งอะไรไมันดูเป็นแสนนะแล้วมาบอกดู youtube หลวงพ่ออะไรเงี้ยเชื่อยากนะงั้นเราต้องมีวินัยในตัวเองนะแล้วเราจะรักษาศีลได้ดีตั้งใจให้เข้มแข็งให้เด็ดเดียวถือศีลห้าไว้ให้ได้ถ้าศีลขาดก็ตั้งใจรักษาเอาใหม่ก็นะเห็นนะว่าถ้าศีลขาดเมื่อไหร่ใจฟุ้งซ่านเนีย่ยเห็นโทษรู้เลยถ้าศีลขาดแล้วใจจะฟุ้งซ่านใจจะไม่มีความสุข่ะ ไปดูเอานะสำรวจว่าจริงหรือไม่จริงอย่าเราจะขโมยเขาเนี่ยใจเราฟุ้งซ่านเราให้ทานใจเราไม่ฟุ้งซ่านใจเราเบิกบานใช่ไหมไม่เหมือนกันแล้วเราสังเกตให้เดีย๋ยวถ้าเราผิดศีลเมื่อไรเราได้รับโทษทันทีนะไม่ต้องรอตกนรกหรอกตกเดี๋ยวนี้เลยคือใจเราเศร้าหมองแล้วก็ทุกวันแบ่งเวลาทำในรูปแบบนะ ทำนายรูปแบบว่าทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วจิตหนีไปแล้วรู้จิตนี้เรารู้ทํากรรมฐานแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองแล้วเราจะได้จิตที่ตั้งมั่นเมื่อเราได้จิตที่ตั้งมั่นคือจิตที่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วต่อไปก็เดินปัญญาดูกายอย่างที่กายเป็นนะรู้สึกกายอย่างที่กายเป็ น, น, ร, ยยปนรู้สึกใจอย่างที่ใจเป็นคอยรู้สึกอย่างนี้เรื ja ่อยๆถึงวันหนึ่งจะรู้ความจริงของกายของใจความจริงเบื้องต้นก็คือกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอก มันเป็นแค่ขันธ์ห้าเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นธาตุของโลกไม่ใช่ของเราอย่างจิตก็จะเป็นตัววิญญาณธาตุไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราร่างกายก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมนะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูจะเห็นวนะ่าตัวเราไม่มีตัวนี้ภูมิธรรมของพระโสดาบันนะเราก็ภาวนาดูกายดูใจของเราต่อไปพอจิตฟุ้งซ่านกลับมาอยู่กับกรรมฐาน ใจก็สงบมีเรื่องมีแรงกลับไปเดินตัญญาดูกายดูใจต่อนะเนี่ยสลับกันอย่างนี้นะศีลดังพร้อยตั้งใจรักษาใหม่สมาธิมันก็จะดีขึ้นนะก็จะสงบง่ายจิตใจอยู่กันเนื้อกับตัวง่ายนะจิตใจอยู่กันเนื้อกับตัวแล้วดูกายทํางานดูใจทํางานไปนะดูมากเข้ามากเข้ามากเข้านะสุดท้ายจะเริ่มเห็นความจริงที่สูงขึ้นไปเบื้องต้นเราเห็นแล้วว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะธรรมะ ปัญญาขั้นกลางเนี่ยเราจะรู้ว่ากายนี้นอกจากไม่ใช่ตัวเราแล้วมันยังเป็นตัวทุกขจะเห็นอย่างนี้นะกายเป็นตัวทุกขพอมันเห็นว่ากายคือตัวทุกข์มันจะปล่อยวางกายคราวนี้จะแก่จะเจ็บจะตายนะเป็นกายมันแก่กายมันเจ็บกายมันตายตัวทุกมันแก่ตัวทุกมันเจ็บตัวทุกมันตายเราจะไม่เดือดร้อนเลยใจจะไม่กระเพื่อมหมันไหวเลยนี่เป็นภูมิธรรมที่พระอนาคามีจะเข้าไปได้ ในเราภาวนาขั้นต่อไปเนี่ยมันจะรวมลงที่จิตที่เดียวเลยนะขั้นแตกหักเนี่มันจะแตกหักลงที่จิตนั่นที่หลวงปู่ดูลบอกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรักเนี่ยท่านพูดแบบออมๆไว้นะถ้าพูดเต็มยศก็คือจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมรักเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเห็นอะไรเห็นว่าจริงๆแล้วจิตนี่คือตัวทุกข์พอเห็นจิตเป็นตัวทุกข์จิตจะปล่อยวางจิตน่ะแล้วคราวนี้ไม่มีอะไรที่จะยึดถือต่อไปละ ที่สุดแห่งทุกข์ก็อยู่ตรงนี้เองนี่หลวงพ่อเล่าให้พวกเราฟังนะเผื่ออีกยี่สิปีข้างหน้าพวกเราจะภาวนามาถึงตรงนี้แต่ถ้าเราเล่นเน็นเยอะไม่ไปหรอกนะระวังไปอาบายนะฟุง้งซ่านกิเลส ท, ที่ยังไม่เกิดก็เกิดคิเลส ท, ที่เกิดแล้วก็แรงขึ้นครูสอที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดครูสอนที่เกิดแล้วก็หายไปถ้าเราหลงโลกจิตใจเราก็จะเป็นแบบนี้ แต่ถ้าเราไม่หลงโลกนะเราคอยรู้สึกกายรู้สึกใจนะกิเลส ท, ที่มีอยู่ก็จะถูกละไปมันละเองสติเกิดเมื่อไหร่กิเลสดับเมื่อนั้นนะกิเลสใหม่จะเกิดไม่ได้ในขนาดที่เรามีสตินะในทันทีที่มีสติเนี่ยกุศลเกิดขึ้นแล้วนะเพราะตัวสติคือตัวกุศลแล้วก็สติจะเกิดที่ขึ้นที่ขึ้นถ้าเราฝึกเรื่อยๆนะกุศลก็จะเจริญขึ้นพอกุศลเจริญขึ้นเนี่ยนะศีล ส, สมาธิปัญญาจะสมบูรณ์ ศีลมัก็ะเกือกูลให้เกิดสมาธิสมาธิเกื้อกูลต่อการเจริญปัญญาสมาธิคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะก็จะเจริญเจริญปัญญาได้เห็นความจริงของกายของใจได้พอศีลนะ ส, สมาธิปัญญาสมบูรณ์และวิมุตจะเกิดขึ้นนะวิมุตความหลุดพ้นเกิดอริยมรรคอริยผลขึ้นนะเกิดสี่ครั้งนะอริยมรรคสี่ครั้งอริยผลสี่ครั้งไม่มีครั้งที่ห้า เป็นงานที่ทำแล้วจบไม่เหมือนงานทางโลกนะทำเท่าไหร่ก็ไม่จบหรอกวันนี้กวาดบ้านพรุ่งนี้ก็กวาดบ้านมะลืนก็กวาดบ้านนะไม่มีวันจบหรอกนะแต่งานในทางทำมีที่สิ้นสุดนะเพราะฉะนั้นเราพากเพียรอดทนไปให้กันบ้านไปดู Youtube ที่หลวงพ่อเทศต้องระบุนะว่าที่หลวงพ่อเทศเดี๋ยวไปดู u t u b e ในตูนเติอนอะไรมันหน่าดูกว่าหลวงพ่อเยอะเลยนะ ดูดูทูตที่หลวงพ่อเทศแล้วดูกายดูใจตัวเองนะสังเกตไปหลวงพ่อท้าอย่างหนึ่งนะสิ่งที่หลวงพ่อเทศให้ฟังเนะี่ยลองไปปฏิบัติดูเสียแล้วจะเห็นเลยว่าหลวงพ่อพูดจริงหรือไม่จริงหลวงพ่อท้าเลยนะธรรมะเนี่ยกล้าท้าพิสูจน์เลยนะลองไปทำดูแล้วจะรู้ด้วยตัวเองหลวงพ่อประโมทขี้จุหรือเปล่านะรู้หรือว่าจริงตอนนี้หลวงพ่อมีพยานเยอะเลยนะ ที่เขาพยายามทําตามมาเรื่อยๆ เ, เขาเห็นนะเห็นความเปลี่ยนแปลงของอตัวเองนะเอาเลยไปสองนาทีแล้วเสียมารยาทนะแต่เมื่อกี้ถูกเกินเวลามาสองนาทีนะจำได้นะสมควรแก้เวลานะ